วันนี้วันนี้เป็นวันพระทุกวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสรงให้พวกเราหยุดการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วให้มาชาระกายวาจาใจให้สะอาดเพราะความสะอาดของกายวาจาใจนําความสุขมาให้กับเราความไม่สะอาดของกายวาจาใจ นำความเศร้าหมองนำความไม่สบายใจให้กับเราความไม่สะอาดทางทางกายก็มีอยู่สามอันความไม่สะอาดทางวาจาก็มีอยู่สี่อันและความไม่สะอาดทางใจก็มีอยู่สามความไม่สะอาดนี้ท่านเรียกว่าอากุศล อกุศลทางกายก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดปเวณีอกุศลทางวาจาก็คือการพูดปดการพูดคํำยาคําพูดเพเจ้อคำพูดส่อเสียดคําว่าส่อเสียดหมายถึงการพูดยุยงให้เกิดความ โกรธเกียดกันล่อยความแตกแยกสามัคคีกันและอกุศลทางใจก็มีอยู่สามได้แ ก, ก่ความโลภความโกรธและความหลงถ้าเรามีอกุศลทั้ง10ประการนี้ทางกายทางวาจาและทางใจใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความไม่สบายใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาชำระกายวาจาใจกันแล้วจะได้ความสุขความสุขทางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีลาบยศสรรเสริญหรือไม่มีความสุขทางใจนี้อยู่ที่การมีกุศลหรือมีอกุศลถ้ามีกุศลก็จะมีความสุข มีอกุศลก็จะมีความทุกข์กุศลก็คือศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียกุศลทางใจก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เองวิธีที่จะทำให้เรามี กุศลทางกายวาจาใจก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็จะทําให้กายและวาจาของเราสะอาดศีลนี้เป็นเครื่องซักฟอกความไม่สะอาดของกายและวาจาถ้าเรามีศีลเราก็จะกําจัดอกุศลทางกายและทางวาจาได้ ศีลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเวรมณีละเว้นจากการฆ่าสัตว์อดินนาดานาเวระมณีละเว้นจากการรักทรัพย์แล้วก็ขอที่เสียหายตามไม่ได้ล้วภาษาบาลีการลเว้นจาก การประพฤติผิดประเวนีข้อที่สี่มุสาวาดาละาเนื่จากการพูดคำหยาอา่พูดปดแล้วก็รักษาด้วยการไม่พูดคำหยาไม่พูดพระเจอไม่พูดสอเสียส่วนกุศลทางใจก็เกิดจากการเจริญสมาธิและปัญญา ขณะเรามีสมาธิใจสงบค ว, ความโลภความโกรธความหลงก็จะระ ง, งับตัวไว้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอเราเห็นอะไรได้ยินอะไรรือคิดอะไรค ว, ความโลภความโกรธความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงเวลาที่ออกจากสมาธิมา เราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้นี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราได้อะไรมาสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญมันไปเรามาเวลามาเกิดเราก็ไม่ได้ อ, อะไรมาเอาตัวเปล่า พอมาเกิดก็ได้ร่างกายได้ร่างกายแล้วก็มาได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้แล้วพอเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาราบยศสรรเสริญไม่สามารถเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ที่ให้ความสุขกับเราไปกับเราได้ ของทุกอย่างจึงไม่เป็นของเราถ้าเรามีอะไรแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปเวลาเสียเราก็เสียใจเช่นร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องเสียร่างกายนี้ไปร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปหรือร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพ่อแม่ปู่ยา่าตายายร่างกายของสามีภรรยาร่างกายของบุตรทีดาของญาติสนิทมิตรสหายมีอันจะต้องตายกันไปทุกคนต้องมีอันพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาถ้าเรามีความโลภความอยากให้เขาไม่จากเราไป อยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เกิดการพลาดพลาดจากกันหรือเวลาที่ยังอยู่ด้วยกันเราก็ต้องวิตกกังวลห่วงใย ห, หาความสุขไม่ค่อยได้จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเพราะความอยากไม่ให้เขาตีอะไรเป็นเมีย เป็นอะไรไปนั่นเองแตเราจะอยากอย่างไรมันก็ห้ามสิ่งต่างๆไม่ให้เป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆเขามีเกิดเขาก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่เราต้องเอามาสอนใจคิดอยู่บ่อย แล้วเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นของเราชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปถ้าเรามีปัญญาใจของเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรพรรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกขกับสิ่งที่เราอยากได้ แล้วสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะไม่มีความอยากให้เขาไม่จากเราไปเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วไม่เขาก็เราก็ต้องจากกันไปถ้าเราไม่มีความอยากภายในใจแล้วความเศร้าหมองความทุกข์ใจจะไม่มีนี่คือผุษณทางใจคือสมาธิและปัญญาถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถรักษาใจของเรา ไม่ให้เศร้าหมองได้ไม่ให้ทุกข์ได้ใจของเราจะสงบจะเย็ยนจะสบายไม่เดือดร้อนกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ไปสั่งเขาได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนวันนี้ฝนนี้เราก็ห้ามเขาตกไม่ได้ พอเขาจะตกเขาก็ตกลงมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตกเวลาเขาตกเราก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราอยากไม่ให้เขาตกนี่พอเขาตกลงมาเราก็วุ่นวายใจกันเดือดร้อนใจกันดนั้นความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความโลภความอยากของพวกเราแล้วพอโลภอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมา หรือเสียใจขึ้นมาความโลภเกิดจากความหลงความหลงก็คือการไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เที่ยงเป็นของเราให้ความสุขกับเราเราจึงทุกข์กัน พเราถูกความหลงหลอกให้ไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์กันพอได้สิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราเดี๋ยวไม่นานเขาก็เปลี่ยนไปหรือไม่เไม่เช่นนั้นเขาก็ดับไปจากเราไปแต่แทนที่เรากลับจะ เ, เรียนรู้จากประสบะการณ์เรากลับไม่ได้เรียนรู้พอเราเสียสิ่งนี้ไปเราก็ไปหาใหม่มา พอเสียคนนี้ไปก็ไปหาคนใหม่มาแทนหามากี่คนเดียก็ต้องเสียไปอยู่เรื่อยๆเราไม่เข็ดไม่ลาจําจไม่ได้ว่าเรากํำลังหาความทุกข์กันก็เราไม่รู้จักวิธีหาความสุขกันวิธีหาความสุขก็คือเราต้องมาทําใจของเราให้สงบมาหัดนั่งสมาธิกัน เพราะเวลาใจเราสงบนี้จะมีความสุขมากจะมีความสุขมากกว่าการได้ความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเช่นจะมีความสุขมากกว่าได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านๆๆจะมีความสุขกว่าได้เป็นนั่นเป็นนี่ได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นอะไรต่างๆความสุ ข, ขอย่างนั้นเป็นความสุขเหลียวเดียว เราเป็นความสุขที่มีความวุ่นวายตามมามีความวิตกความกังวลต่างๆตามมาและมีการสูญเสียตามมามีการสิ้นสุดตามมาแต่ความสุขที่เราได้ทางใจนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าเราถ้ารู้จักวิธีรักษาไม่ให้มันเสือ่อมเราก็จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็จะคอยทำลายความโลภต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาที่เราไปสัมผัสรับรูบร้กับสิ่งต่างๆเห็นอะไรเราก็มักอยากจะได้กันเห็นอะไรได้ยินอะไรเราก็อยากจะได้กันหรือไม่อยากได้กัน ได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยากได้กันเจมได้ยินคำดา่าคำตาหนิคำเตี๋ฉินนินทาพอได้ยินเราก็ไม่อยากได้พอไม่อยากได้ใจเราก็ร้อนขึ้นมาใจเราก็ไม่สบายขึ้นมาหรือได้ยินเสียงชมก็อยากจะให้เขาชมไปเรื่อยๆใจเราก็จะคอยรอแต่คำชมพอได้ยิน ดาหรือไม่ได้ยินคำชมก็เสียใจนี่คือเรื่องของความโลภโลภในสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่ชอบหรือโลภไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นความโลภอีกแบบนึงนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องคอยกำจัดการจะกำจัดมาได้นี้ในเบื้องต้นเราต้องมาทําใจของเราให้มีความสุขก่อน ทามใจของเราให้มีความสงบ พ, พอใจเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรมาให้ความสุขกับเราตอนนี้พวกเราไม่มีความสุขทางใจกันเราเลยต้องไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงเกลื่อนรถต่างๆแต่มันเป็นความสุขประเดียวกปรดาวเป็นความสุขชั่วกราวเวลามันหมดไป เราก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเศร้าหมองเราจึงต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆหามันมาได้มากน้อยเพียงรก็ไม่สามารถที่จะรักษามันเก็บมันไว้ได้มาแล้วก็หมดไปเช่นหาเงินทองมาพอได้มาก็เอาไปใช้ซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆพอใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็ต้องไปหาใหม่ เวลาหาก็เหนื่อยแล้ถ้าหาไม่ได้ก็ ย, ยิ่งยิ่งทุกใหญ่เพราะยังต้องการใช้เงินอยู่นี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีความสุขภายในตัวเราเองถ้าเรามีความสุขจากความสงบเราก็ไม่ต้องไปหาเงินไปซื้ออะไรต่างๆถ้าจะ ซ, ซื้อก็ซื้อเฉพาะอาหารที่ว่าสายยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่ม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่า น, นั้นเองแล้วถ้าเราไม่สามารถหาได้เราก็พร้อมที่จะตายอย่างสบายใจสงบแล้วนี้ไม่กลัวความตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมเป็นเป็นเรื่องที่เด็กเลี้ยงไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเลยไม่เดือดร้อน ที่ใจของพวกเราเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายน่นคิดว่าใจเป็นร่างกายใจแล้วก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายเองเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาแก่เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายนี่เขาไม่รู้เรื่องร่างกายนี่ไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไรเหมือนกับต้นไม้ ตนไม้นีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรใครเอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ร้องไม่เจ็บไม่กลัวผู้ที่รับรู้เนี่ยคือใจเนี่ยเป็นผู้ที่ไปเดือดร้อนแทนร่างกายแต่ถ้าทำใจให้สงบใจก็จะไม่ไปเดือดร้อนแทนร่างกายใจก็จะรู้เฉย ก็จะรู้ว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้อยากหรือไม่อยากผู้โลภหรือไม่โลภผู้โกรธหรือไม่โกรธผู้หลงหรือไม่หลงแล้วถ้ามีคนมาสอนใจว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไม่สบายถ้าใจมากำจัดความโลภความโกรธความหลงออกไปจากใจได้ ความเศร้าหมองความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายการที่เราจะรู้ได้ว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราก็ต้องอยู่ที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครบอกเา่า เพราะไม่มีใครในโลกนี้จะรู้ว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเองต้องมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนหรือเจอพระอรหันตสาวกแล้วท่านก็จะสอนเราว่าความไม่สบายใจของเราความเศร้าใจของพวกเราเกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่เอง เราต้องมาหยุดความโลภความโกรธความหลงกันด้วยการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดถึงเรื่องต่างๆนานาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดพักชั่วคราวยังไม่ทางาน พอไม่มีความโลภโกรธหลงใจก็สบายมีความสุขแต่มันเป็นความสุขความสบายชั่วคราวเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องออกมารับผิดชอบกับร่างกายต่อไปร่างกายยังต้องเดื่มต้องรับประทานต้องขับถ่ายพอออกจากสมาธิมามาดูแลร่างกาย ก็ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เกิดความโลภขึ้นมาเองเช่นคิดถึงร่างกายก็คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็โลบอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็ไม่สบายขึ้นมาเองจะทาให้วิธีที่จะทำให้ใจสบายไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงคนพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามได้แต่เราไม่ควรจะไปเดือดร้อนกับร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกาย เหมือนกับเราไม่ไปเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนเลยเรารู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเราไปรู้จักคนที่เราเรารู้จักไปคิดถึงคนที่เรารู้จักคนที่เรา ถือว่าเป็นของเราเช่นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราน้องเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราพอเราไปคิดว่าเขาเป็นของเราเราก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่ให้เขาแก่อยากไม่ให้เขาเจ็บอยากไม่ให้เขาตายพอเขาเป็นอะไรไปเราก็เลยไปทุกข์กับเขาทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเป็นเป็นตัวเราเลยแต่เราก็จะไปทุกข์ทุกข์พ่อเราไป ไปไปมีความอยากให้เขาไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเพราะเราอยากให้เขาอยู่ไปนานา น, นั่นเองอันนี้เพราะว่าเราไปไปยึดไปถือว่าเป็นของเราพอเราไปถืออะไรเป็นของเราเราก็จะมีความอยากไม่ให้เขาเป็นอะไรไปไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีการเป็นไป มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีดับห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ไปถือว่าเป็นของเราหรือตัวเราเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแล้เราต้องมาสอนใจว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายที่เป็นที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราสามารถ ปล่อยวางความยึดถือได้ความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราได้เราก็จะไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเขาไม่แก่ไม่เจ็บพอเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเรารู้สึกเฉยเฉยแต่พอคนที่เรารู้จัก เราก็เฉยไม่ได้พอใครที่เรารู้จักขึ้นมาเราก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาทันทีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองที่ไปมองของต่างๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเราซึ่งมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรานะเราต้องมาแก้ที่ความเห็นของเราความเห็นของเราตอนนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด ความเห็นกับตาละปัดเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราพออะไรเป็นของเราเป็นตัวเราก็เกิดตันหาเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาก็เลยทําให้ใจเราเศร้าหมองแต่อะไรที่ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะไม่มีความโลภความอยากเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างยยม ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เดือดร้อนกับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะไม่รู้จักกันคนนี้จะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายคนทางนี้ก็ไม่เดือดร้อนคนทางนี้ก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของคนด้านนี้เพราะไม่รู้จักกันแต่ถ้าเกิดมารู้จักกันขึ้นมามาถือว่าเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของเราเป็นญาติของเราพอเกิดเป็นอะไร เป็นคำว่าของเราขึ้นมาปั๊บนี่ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปทันทีมันจะเกิดความอยากไม่ให้เขาเป็นอะไรไปขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจว่าอย่าไปมองว่าอะไรเป็นของเราอย่าไปมองว่าอะไรเป็นตัวเราถึงแม้จเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่าไปคิดว่าเป็นของเราให้รู้ว่าเป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่ ให้รู้ว่าเป็นภรรยาให้รู้ว่าเป็นสามีให้รู้ว่าเป็นลูกแต่อย่าไปถือว่าเป็นของเรารู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นญาติเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้เป็นของเราเขาจะต้องเป็นไปตามเขาก็เขาก็เป็นเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักคือต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดแล้วถ้าเรามองเขาเหมือนกับเรามองคนที่เราไม่รู้จัก เราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือปัญญาที่เราจะต้องมาฝึกทําใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่พยายามเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเราก็มาซ้อมดูว่าเราทําได้ไหมเช่นเราทํากับของนอกกายก่อนเช่นเช่นสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามี มากเกินความจำเป็นที่จะต้องมีเราก็ลองเอาไปให้คนอื่นไปลองสละไปถ้าปล่อยเขาไปได้ไหมถ้าเราไม่หวงเราปล่อยเขาได้เราจะสบายใจอย่างวันนี้ญาติเยงก็มาทำบุญกันท ำ, ทำทานกันเอาข้าวของมาให้พระเนรอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางของภายนอกก่อนไม่ไปถือว่าเป็นของเรา ยกให้กับพระต่ยกให้กับวัดไปเวลาเราให้ด้วยความยินดีเราทุกไหมเราเท่าหมองไหมเราเสียใจหยเพราะเราไม่ยึดไปติด ก, กับของอันนั้นแล้วเรายกให้เป็นของคนอื่นไปแล้วจานใดเราควรจะยกทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่ว่าเป็นของเรานี้ยกให้คนอื่นไปให้หมดถึงแม้ว่ายังไม่ได้ให้เขาไปตอนนี้ก็ต้องคิดอยู่ในใจว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เมื่อถึงเวลาที่เขาจะมารับไปก็ต้องให้เขาไปเวลาโยมพบาลจะมารับร่างกายเราไปก็ยกให้เขาไปร่างกายนี้เป็นของโยมพบาลโยมพบาลจะมาขอร่างกายนี้เวลาเข้ามาก็ให้เขาไปถ้าเราเราให้เขาได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมให้เราจะทุกข์กันที่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเป็นของโยมพบาล ที่ทุกข์เพราะไม่ยอมให้เขาถ้ายอมให้เขาก็จะไม่ทุกข์เพราะยังไงยังไงก็ต้องยกให้เขาอยู่ดีต้องตายอยู่ดีเั้นขอให้เราตายแบบสบายตายอย่างมีความสุขดีกว่าตายอย่างมีความทุกข์วิธีที่ตายอย่างมีความสุขก็ต้องยอมตายกันยอมยกร่างกายนี้ให้กับยมพบาลไปอย่าไปฝืนอย่าไปสู้กับยมพบาลสู้เขาไม่ได้ ถึเวลาที่เขาจะม า, าร่างกายนี้ไม่มีใครยับยั้งได้ไม่มีใครยุติมันได้แต่เราจะให้ร่างกายเขาไปให้ร่างกายของนี้ไปได้อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับวันนี้เราเอาข้าวของเงินทองมามาให้กับวัดกับวาไปเนเราให้แบบนี้แหละเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานนี่ก็เพื่อให้เราฝึกให้ให้รู้จักการให้นั่นเองตอนต้นเราก็ให้ของที่ง่ายก่อน เป็นของที่เร า, เาไม่ต้องพึ่งพาอาศัย เ, เช่นเงินทองที่เรามีมากกว่าจากว่าความจำเป็นที่จะต้องมี อ, อันนี้เราก็ยกให้ได้แล้วต่อไปเราก็ับที่ไปบวชนี้เขาไปหาความสุขรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองเขาจึงสามารถสละเงินทองให้คนอื่นไปได้หมดเลยเพราะเขาไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขแล้วเขาสามารถ ทําใจให้สงบแล้วได้ความสุขที่ดีกว่าจากการไปซื้อขอซื้อความสุขด้วยเงินทองเนี่ยทไมคนที่เขาไปบวชเขาถึงสละเงินทองไปได้หมดพระพุทธเจ้านี่ท่านก็เป็นเจ้าชายมีทรัพย์สมบัติมากมายมีภาษาสามดูดูแต่ทําไมท่านยกให้คนื่นไปทําไมท่านสละราชสมบัติได้ก็เพราะท่านอยากจะไปหาความสุข อีกแบบนึงนั่นเองอยากจะหาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบท่านก็เลยสละสมบัติข้าวของเงินทองไปแล้วก็ไปหาที่สงบนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วถ้าท่านจาใจให้สงบได้ตลอดเวลาท่านก็สามารถที่จะยกร่างกายนี้ให้กับยมพบาลไปได้ท่านจะไม่เสียดายร่างกายเพราะการ หาความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสงบของใจไม่ได้เกิดจากการมีร่างกายแต่เกิดจากการมีสมาธิมีสติพอเรามีสติเราก็สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีเงินทอง ต่อไปเราก็จะสละร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะมาหากันในวันพระนี้ก็คือมาหาความสงบกันใจของเราจะสงบได้ก็ต้องชำระอกุศลทั้ง10ประการนี้อกุศลทางกายอากุศลทางวาจา อกุศลทางใจโดยการรักษาศีลศีลหศีลแปศีลสองร้ี่ ส, ส, ส2บแล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันพอใจสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็มาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงยึดยังไงติดยังไงหวงยังไงก็รักษามันไว้ไม่ได้ ร่างกายนี้เรารักมันขนาดไหนถึงเวลามันจะตายก็ไม่มีใครมายับยั้งเหมือนได้ไม่มีอะไรจะมายับยั้งความตายได้ความรักความหวงก็ไม่สามารถยับยั้งเหมือนได้มีแต่จะทําให้เราทุกไปเปล่าเปล่าเพราะทุกเพราะความหลงคิดว่าเป็นของเราเพราะคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็อยากไม่ให้ปัญจาเราไปแต่ถ้าเรามา ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเแล้วเราก็ทำใจของเราให้ปล่อยว่าให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราจริงๆให้คิดว่ามันเหมือนกับข้าวของเงินทองที่เราบริจาคไปเสียสละไป เ, เวลาเสียแล้วแทนที่จะทุกข์เรากลับมีความสุขเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจไม่ต้องมากมังวลกับข้าวของเงินทองอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราต้องมา พ, พยายามทำกันให้ได้คือกําจัดอากุศลสิบประการนี้ด้วยการรักษาศีลด้วยการฝึกนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาคอยสอนใจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะเวลายึดติดแล้วก็อยากให้ไม่ให้อยู่กับเรา อยากไม่ให้เขาจากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเวลาไม่จากเราก็กลัวกันกลัวว่าเขาจะจากเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราต้องจากกันทุกคนอย่างนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่กลัวและเวลาจากกันก็จากกันอย่างไม่ทุกข์เราก็ต้องหัดมาคิดทางปัญญากัน คิดว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เรายืมเขามาสักวันหนึ่งเจ้าของเขาก็จะต้องมาเอาของเหล่านี้คืนไปถ้าเรายินดีคืนเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมคืนเราก็จะทุกข์กันนี่คืองานที่พระเจ้าส่งมอบให้พวกเราทํากันในวันพระ ให้เรามีวันหยุดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อที่พวกเราจะได้มาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดและเราจะได้ไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขความสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินมากมเงินน้อยมีตำแหน่งสูงหรือไม่สูงมีคนสนัเสริญเยินยอหรือไม่มีมันไม่เป็นความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การมีกุศลหรือมีอกุศลภายในใจถ้ามีอกุศลก็จะมีความทุกข์ใจถ้าไม่ถ้าไม่มีอกุศลมีแต่กุศลก็จะมีแต่ความสุขใจดังั้นขอให้เรามาสร้างกุศลกันมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันพระกันด้วยการรักษาศีลถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อน ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็เพิ่มเป็นศีล8ปดถ้ารักษาศีล8ได้ก็เพิ่มเป็นศีลสองร้ิบเจ็ดไปบวชกันศีลสามกว่าบวชชีบวชภิกษุณีบวชพระกันเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทําอะไรงานของนักบวชก็คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาด ไม่ให้ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพอเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรายังมีอยู่คือร่างกายของเราต่อไปเราจะปล่อยวางร่างกายของเราได้ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้เราสู้ความหลงไม่ได้ความหลงมันจะหลอกเราอยู่เรื่อยๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็จะทาให้เราอยาก ให้มันอยู่กับเราไปนานๆไม่จากเราไปพอเราคิดถึงวันที่จะต้องจากกันเราก็ไม่สบายใจแล้วยังไม่ถึงเวลาเลยเพียงแต่คิดถึงว่าความตายแค่นี้เราก็กลัวกันแล้วยังไม่ได้เจอความตายเสียได้ซ้ำไปยิ่งพอเจอความตายยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะไม่กลัวใจจะเฉยเฉยได้ ใจจะเย็นใจจะสงบใจจะไม่เดือดร้อนเราไม่ได้มาเปลี่ยนร่างกายเราปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้มาเปลี่ยนร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่เรามาเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลไม่ให้โลภไม่ให้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ปล่อยวางร่างกายพอปล่อยวางได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของคนอื่นเพราะเหมือนกันหมดทุกคนร่างกายของพวกเราเหมือนกันหมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันไม่เลยเป็นของใครเป็นดินน้ำลมไฟตัวที่มาครอบครองนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นตัวพ่อตัวแม่นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของของพ่อของแม่พ่อแม่ของเราไม่ตายสามีภรรยาของเราไม่ตาย ลูกของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเขาอยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายพอใจก็ไม่มีร่างกายเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไปถ้าเขายังมีความหลงยังมีความโลภอยู่ถ้าเขาไม่มีความหลงไม่มีความโลภเขาก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เขาก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาลกนี้ เป็นพวกที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงกันยังไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปทุกกับร่างกายไม่ต้องไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายพวกเราก็จะไปอยู่กับพระ ก, กับพระพุทธเจ้าพระอานานตะสาวกทั้งหลายกันถ้าเราจเจริญกุศลทางกายวาจาใจได้ก็คือจเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะสามารถ หยุดความโลภความโกรธความหลงได้พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คืองานที่เราต้องมาทำกันในวันพระต่อเบื้องต้นนี้ให้ทำในวันพระก่อนแต่ถ้าจะทำจริงๆนี่มันต้องทำทุกวันแต่ก่อนที่เราจะทำทุกวันได้เราก็ต้องมาหัดทาอาทิตย์ละวันก่อน พอเรายังมีหน้าที่การงานมีอะไรต้องทำอยู่เรามาทำวันพระก่อนพอเราทำในวันพระเราได้ผลดีเราก็อยากจะทำเพิ่มขึ้นจากวันหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นสองวันจากสองวันก็จะเพิ่มเป็นสามวันหรือวันไหนมีวันหยุดเช่นช่วงปีใหม่นี้หยุดสี่วันก็แทนที่จะไปเที่ยวกันไปทำอากุศลต่างๆเราก็มาทำกุศลกันไปหาวัดอยู่กัน ไปปฏิบัติทํากันสามวัน4ี่วันถ้าเราทําได้สามวัน4ี่วันต่อไปเราก็อยากจะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยิ่งทํามันยิ่งมีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจจะน้อยลงไปถ้าเราลองได้ปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าจะติดใจจะเห็นไม่มีเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วต่อไปเราก็จะหาเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่มีงานมีการก็ลาออกไปถ้าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานก็ลาออกไปเอาเวลามาจเจริญกุศลกันดีกว่ามาสร้างศีลสมาธิปัญญากันดีกว่าก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและจะทำให้เราได้พบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระ สาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นความสุขที่เราได้รับกันเช่นกันก็คิดว่าพอสมควรแก่วเวลาก็ขออนุโมทนาให้พรมีใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> ใครมีคำถาม <c oughs> ก็อยากถามก็ถามได้มีครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ครับ เคยฟังแทปของท่านพระอาจารย์ตาที่ท่านบอกว่าสมาธิเสื่อมเป็นเพราะยังหาถานไม่เจอหรือเป็นเพราะกาะองค์พราณไม่ไม่ติดก็เสื่อมเพราะว่าเหตุที่ทําให้มันเกิดมันหายไปสติมันหายไปท่านไม่รักษาสติไว้ไม่พุทโธพุทโธไม่ควบคุมความคิดพอดีช่วงนั้นท่านหยุดไปทํากรดทําไปท่านก็เลยไม่ได้พุทโธ ท่านก็เลยใช้ความคิดเกี่ยวกับการทำโกรธทำแล้วก็ติดอยากจะทำให้มันสวยอยากจะทำให้มันดีก็คิดหาวิธีการต่างๆก็เลยไม่ควบคุมความคิดไว้พอเวลามานั่งสมาธิก็ลืมวิธีว่าทำให้จิตสงบนั้นทำอย่างไรพอนั่งปุ๊บก็อยากจะให้มันสงบอย่างเดียวเอาความอยากมาเป็นเหตุความอยากมันก็เลยไม่ทาให้จิตสงบ มันต้องใช้พุโทโธหยุดความคิดตอนหลังท่านก็มาจับประเด็นได้ว่าอ๋อลืมพุโทโธไปแล้วพอพุโทโธหยุดความคิดแล้วก็ต้องวางพุโทโธทิ้อ๋เอเวลาหยุดความคิดแล้วเวลาจิตรวมมันทิ้งเองเวลาพุโทโธพุธโทโธไปแล้วจิตมันสงบมันตกบุ้มตกบอ่อตกเฮลนี่พุโทโธมันก็หายไปเองถ้ายังไม่ตกบุ้มตกบอ่อก็อย่าเพิ่งทิ้งพุโทโธ ต้องพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเป็นตัวเหมือนดึงจิตให้ไปตกหลุมไงถ้าไม่มีพุทโธดึงไปให้มันตกหลุมถ้ามันยังไม่ตกหลุมตกบ่ออย่าไปหยุดมันถ้าไม่งั้นมันจะไม่สงบแต่ถ้าสงบ ป, ปั๊บนี้พุทโธมันจะหายไปเองมันจะรู้ว่าไม่ต้องพุทโธแล้วจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเปลี่นสมอในที่ตั้งหรือเปล่านั่นแหละก็เป็นฐานความสงบก็เป็นที่ตั้งของของจิตจิตสงบแล้วจิตก็จะมี มีพลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ตอนที่ท่านจิตเสื่มตอนนั้นนะคะท่านท่านบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วหรื อ, อ ย, ยังนะคะคงยังเพราะท่านยังยังไม่ได้สมาธินะต้องก่อนจะบรรลุธรรมได้ต้องมีสมาธิก่อนศีล ส, สมาธิแล้วค่อยไปปัญญาอันนั้นท่านยังอยู่ขั้นจเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิ พอหลังจากที่ท่านได้สมาธิแล้วท่านออกทางปัญญาท่านนั่งท่านนั่งทําคืนเนี่ยท่านได้ช่วงนั้นท่านจะได้ท่านจะได้บรรลุธรรมละข่านแรกก็ได้ขั้นโสดาบันนั่งแล้วปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายไม่กลัวความเจ็บความตายของร่างกายตอนนั้นท่านก็บรรลุได้ด้วยปัญญาไม่ได้บรรลุด้วยสมาธิท่านไม่ได้นั่งบแบบพุทโธพุทโธ ท่านนั่งแบบแยกกายแยกใจแยกเวทนาออกจากกันให้เห็นว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้การพิจารณาขันห้าเพื่อปล่อยวางขันห้ากายก็เป็นรูปประขันเวทนาก็เป็นนามะขันเมืน่อะพิจารณากายพิจารณาเวทนาได้ก็ละ สักกายะทิฐิได้ละความเห็นว่าร่างกายกับความรู้สึกเช่นเวทนานี้เป็นตัวเราของเราก็จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบงังคับไปสั่งมันไม่ได้หมายให้ห้ามร่างกายไม่ให้ตายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยมัน อยู่เฉยๆใจอยู่เฉยๆพอใจปล่อยอยู่เฉยๆใจก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายอันนั้นเป็นขั้นปัญญาขั้นแรกนี้ถ้าใช้สติอย่างเดียวพุโทโธอย่างเดียวนี่เรียกขั้นสมาธิยังไม่ได้พิจารณาตายรักยังไม่ได้พิจารณาขันห้าขั้นปัญญานี้ต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนา ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาถ้าไปอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นอริยสัจสี่ทันทีเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอมีปัญญามีมรรคที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน พอปล่อยวางมันไม่ไปอยากให้มันหายไม่อยากไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็หลุดพ้นใจก็สงบความทุกข์ในใจก็ดับไปนี่จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเห็นอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากในขันห้านี่เองอยากให้ขันห้าเที่ยงอยากให้ขันยะห้าให้ความสุขกับเราอยากให้ขันห้านี้เป็นของเรา แต่มันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันจะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากไปให้มันเป็นของเราพอเราเปลี่ยนใจไม่อยากให้มันเที่ยงไม่อยากให้มันเป็นของเราปั๊บความทุกข์ในใจก็หายไปก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะว่านี่คือพระธรรมที่พทะเจ้าทรงสแสดง พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุนี่เองอยงน่นถ้ามีมีพระธรรมก็ต้องมีคนรู้คนรู้ก็คือพระพุทธเจ้าคนที่เอาพระธรรมนี้มาสอนก็ต้องมีอย่างเราจะไปรู้ได้ไงว่าอริยาาสัจสี่เป็นยังไงงั้นคนที่มาสอนอริยาาสัจสี่ก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตัดสรุอริยาาสัจสี่นี้พระธรรมก็คือคําสอนที่เราได้เห็นในการปฏิบัตินี้มาสามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ พอเราดับความทุกข์ได้เราก็ไม่สงสัยว่าภาษาวกมีจริงหรือไม่ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะดับความทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไม่สงสัยอีกต่อไปก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ลูปคาในศีลศีลระตะัตพัตตาปรามาจะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากการไม่รักษาศีลนี่ถ้าเราไม่รักษาศีลทําบาปใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ถ้าเรายอมตายดียวกว่าไปทําบาปเนี่ยใจเราก็จะไม่ทุกข์นี่พระโสดาบันนี้จะรักษาศีลยิ่กว่าชีวิตจันเห็นคุณค่าของศีลมากกว่าเห็นคุณค่าของชีวิตเพราะการจะมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทําให้ใจทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่การไม่มีศีลนี้จะทําให้ใจทุกข์เวลาไปทําบาปเพื่อรักษาชีวิตของเราไว้นี้เช่นเราไปทํามาหากินอาชีพที่ต้องฆ่าคนอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นการทําบาปเพื่อรักษาชีวิตเรา แ, แล้วเราทําบาปไปแล้วใจเราก็ไม่สบายมีความทุกข์เรายอมตายดีกว่ามาทุกข์ใจอันนี้ก็จะไม่สงสัยในในเรื่องของศีลจะไม่ลูกคําศีลจะรักษาศีลอย่งกว่าชีวิตพระโสดาบันจงไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะท่านยอมตายดีกว่า ทำบาปทำกรรมเมื่อไม่ทำบาปทำกรรมก็ไม่ไปอบายนั่นเองอันนี้ก็เป็นการบรรลุต้องบรรลุด้วยปัญญาการสมาธินี้มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปสมัยที่พระเจ้าไปศึกษากับครูอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนเรื่องสมาธิกันวิธีทําใจให้สงบไม่ทุกเวลาอยู่ในสมาธิแต่ไม่มีใครรู้จักวิธี ทำใจให้ไม่ทุกเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพระพุทธเจ้าเลยต้องค้นคว้าหาว่าทำไมยังต้องทุกอยู่เวลาอยู่ในสมาธิไม่ทุกแต่ อ, ออกจากสมาธิมามาทุกทันทีทุกเพราะอะไรก็คนไปก็เจอทุกเพราะความอยากนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็ทุกแล้วในที่สุดท่านก็เลย เลิกความอยากเสินะเพราะเหมือนกับเรารู้ว่าที่เราเจ็บศีรษะเพราะว่าเราเอาของแข็งมาทุบศีรษะเราถ้าเราค้นพบว่าที่เราเจ็บศีรษะเพราะเราเอาของแข็งมาทุบเราก็หยุดทุบศีรษะเราเนี่ยเม่อเราหยุดทุบศีรษะเราก็ไม่เจ็บละที่เราตาบอดเนี่ยไม่รู้ว่าเรากําลังเอาของแข็งมาทุบศีรษะเราคนที่มีความหลงก็ไม่รู้ว่า ความอยากนี่มาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองพอมีปัญญาพิจารณาเข้าไปก็เห็นอ๋อเห็นว่าเวลาที่เราไม่อยากนี่เราไม่มีทุกข์เลยพอเราอยากขึ้นมาปั๊บใจเราไม่สบายขึ้นมาทันทีทุกข์ขึ้นมาทันทีเราก็เลยหยุดความอยากดีปว่าอย่าไปเอาสิ่งที่เราอยากได้อยากได้ลาบยศสารเสรือไม่เอามันดีปว่าเอาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับทรมานจะตายเลยชู้อยู่แบบไม่อยากดีปว่า มีอะไรก็ดีดีตามมีตามเกิดไปสบายใจกวเยอะแยะไม่ต้องไปทํำบาป ท, ทากรรมเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราอยากได้กันอันนี้ก็คือเรื่องของปัญญาที่พุทธเจ้าต้องค้นหาเองเพราะไม่มีใครรู้ไปศึกษากับใครก็บอกว่าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องเข้าสมาธิอย่างเดียวถ้าออกจากสมาธิแล้วมันก็ทุกข์โดยอัตโนมัติเขาก็ไม่รู้มันทุกข์มาจากอะไรกัน อาวุธเจ้าต้องนั่งมาวิเคราะห์ด้วยตนเองเหมือนเหมือนนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้ที่ไปวิเคราะห์ว่าทําไมผลลไม้มันถึงตกลงมาจากต้นทําไมเวลามันหลุดออกจากขั้วทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปมันก็ตักกะง่ายๆก็เพราะมีอะไรดึงมันลงมาเองมันถึงจะลงมาใช่ไหมไม่มีอะไรผลักมันขึ้นไปมันก็ไม่ขึ้นเลยเขาก็เลยค้นพบแรงดึงดูดของโลกนี่ เพราะโลกนี้มีแรงดึงดูดจึงดูดดูดให้ทุกอย่างนี้อยู่บนผิวโลกกันนี่ยจำไหมทำไมเราไม่ลอยกันขึ้นไปบนฟ้ากันเพราะมันมีแต่แรงดึงเราลงมาไม่มีแรงผลักให้เราขึ้นไปแต่พอเรามาสร้างเรือบินขึ้นมาสร้างจรวดขึ้นมามันก็มีแรงผลักที่จะดึงเราขึ้นไปได้เราก็บินกันได้ในสมัยนี้ก็มีเท่านั้นเองอยู่ที่แรงดึงกับแรงผลักนันเองแรงดึงมันก็ดึงให้เราอยู่ติดกับดิน พอเรามีแรงผลักให้รื้อ ด, ดันให้เราขึ้นมันก็ขึ้นไปคนก็เาหาะลอยกันได้อันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ของพวกเราก็เกิดจากความอยากของพวกเรานี่เองพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์มันก็หายไปแต่ไม่มีใครรู้ตอนนี้พวกเรารู้แล้วแต่เราทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีกำลังไม่มีกาลังหยุดเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันการนั่งฟัสมาธินี้เป็นการ ฝึกกาลังหยุดเหมือนออกกําลังกายแต่กําลังกายนี้มันต้องออกมันต้องวิ่งต้องทําอะไรมันถึงจะมีกําลังแต่กําลังใจมันต้องอยู่เฉยเฉยมันถึงจะมีกําลังต้องหยุดคิดต้องนั่งเฉยเฉยหยุดคิดหยุดพูดหยุดอะไรทั้งหมดถ้ามันทําได้มันจะมีกําลังหยุดกิเลสได้หยุดความอยากได้ตอนนี้เรามีปัญญาแล้วแต่เราไม่มีสมาธิกันเรากับตาลปัดกัน ความหมาพระพุทธเจ้าเขามีสมาธิกันแต่เขาไม่มีปัญญากันพอมีปัญญาปั๊บคนที่มีสมาธิปั๊บก็หลุดพ้นทันทีเวลาพระพุทธเจ้าไปสแสดงธรรมครั้งแรกนี่ท่านไปสแสดงกับพวกที่มีสมาธิแล้วพอบอกเขาให้หยุดความอยากเขาก็อยู่กันได้ทันทีเลยเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุ ก, กันในขณะที่ฟังธรรมได้เลยพวกเราตอนนี้กลับกันพวกเราฟังธรรมมีปัญญาเยอะแยะ ก, กันหมดรู้จักอริยสัจสีรู้จัก ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากแต่เราไม่มีสมาธิกันไม่มีศีลกันเราถึงต้องมามาวัดในวันพระนีน่เพื่อมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิกันพอเรามีศีลมีสมาธิปับ๊บเราปัญญาที่พระเจ้าสอนโลกเรามาใช้ปับ๊บมันก็ก็บรรลุได้เลยดัง น, นั้นเราพยายามเจริญสติให้มากๆนั่งสมาธิกันให้มากๆจนจิตรวมเป็นหนึ่งได้แล้วทีนี้เอาปัญญามาใช้ได้เลย พออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายก็บอกมันอย่าไปอยากอยากแล้วทุกข์พอพอหยุดปั๊บมันก็หายทุกข์อยากจะรู้ว่ามันหยุดไม่หยุดก็ต้องไปหาที่น่ากลัวดูเวลาไปอยู่ที่น่ากลัวนี่มันจะบอกแล้วถ้าเรารู้ว่าเราอยากหรือไม่อยากถ้าเรายังอยากเรายังอยากไม่ตายอยู่ใจเราจะสั่นแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่ตายได้ใจเราจะไม่สั่นใจเราจะเฉย เราก็รู้ว่าเราไม่กลัวตายแล้วอย่างที่พระต้องไปอยู่ในป่าในเขาที่น่ากลัวเพื่อจะได้เป็นพิสูจน์ไปทําข้อสอบเพราะที่เราอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรากลัวหรือไม่กลัวตอนนี้มันเฉยๆใช่ไหอแต่ถ้าใครโยนงูมาตรงสักตัวดูดิ <c oughs> <c oughs> บางทีมีตุ๊กแกตกลงมายังเ <c oughs> ต้นกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าทุกแก่นหลน่นลงมาแล้วนั่งเฉยๆยแสดงว่าไม่กลัวบางคนอ ย, อ, ย, อ, ยอะไรคือแสดงว่ายังกลัวอยู่้ น, นที่ต้องไปอยู่ในที่น่ากลัวเพื่อจะได้พิสูจน์ดูว่ายังกลัวอยู่หรือไม่กลัวมีปัญญา ม, มีสติมีสมาธิหยุดมันได้หรือเปล่าหยุดความกลัวได้หรือเปล่ายั้นตอนนี้พยายามเจริญสติกันให้มากๆปัญญาพวกเรามีกันพอสมควรนะ รู้หมดและอริยสัจสี่เป็นอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอะไรขันห้าเป็นอะไรไม่รู้กันนะแต่ทําไม่ได้ทําใจไม่ได้หยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิยังต้องมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอยากคิดหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้จิตก็สงบได้จิตก็นิ่งเฉยๆได้พอเจออะไรก็เฉยๆได้ ตอนนี้มันไม่เฉยพอเจออะไรมันสะดุ้งเหมือนตื่นเต้นขึ้นมาทันทีใจสั่นขึ้นมาทันทียังต้องฝึกใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้สัน่นแล้วเวลาไปเจออะไรมันก็จะสามารถที่จะอยู่เฉยเฉยได้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเข้าใจยังมีใครอยากจะถามเลยไหม ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านนะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือสองร้อยแปดสิบต่ไปถึงสาม5้อยสี่สิบห้าสิบครับ YouTube มีส1บอสิบสองค่ะเลยสัญญาณไม่ค่อยดีครับวันนี้โทนี่เข้ามายู่ไม่เข้าเาลยสัญญาณไม่ค่อยดีโซนิชารานก็ไม่เข้านะไม่เข้าอีแปนอยู่รับในการคนชื่อโทนี่ อ, อนนี้เขาประมาณเที่ยงคืนกว่าเข้า ช้ากับเราสิบห้าชั่วโมงอตอนนี้เขาประมาณเที่ยงคกินกว่าของเมื่อวานนี่อ่ะว่ามาคำถามจากคุณวีรพรหนูไม่ชอบจิ้งจบเพราะขี้ของมันลบบ้านต้องคอยกวาดเก็บเสมอพอเห็นตัวมันทีไรก็อยากเอามันออกจากนอกบ้านแต่พอคิดว่าความไม่ชอบนี้ก็เป็นกิเลสการคิดหาวิธี จะเอามันออกจากบ้านก็วุ่นวายแทนที่จะพูดโทดังนั้นจึงปล่อยมันโดยให้เหตุผลกับตัวเองว่าต่างคนต่างอยู่ถ้ามันขี้ก็ค่อยกวาดออกคิดแบบนี้เป็นปัญหาไหมคะเราสบายใจหรือเปล่าดูดูที่ผลสิถ้าคิดแล้วเราสบายใจแล้วก็เป็นผลก็ดีข้อที่สองเราจะมีวิธีตรวจสอบเหตุผลที่เราคิดสนับสนุนการกระทาของ ของเราไหมคะว่าอันไหนเป็นกิเลสอันไหนเป็นปัญญาหรือถ้าจะต้องวัดตรงที่เหตุผลอันไหนที่สนับสนุนความชอบความเคยชินของเราอันนั้นเป็นกิเลสแต่ถ้าอันไหนที่จะทำให้เราลซึ่งความชอบความเคยชินอันนั้นเป็นธรรมคิดอย่างนี้ถูกหรือผิดประการใดขอหลวงพ่อไม่ตาอธิบายด้วยค่ะมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องเอามาพิจารณาภายนอกก็ต้องดูว่าการกระทาของเรานี่ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวเราและกับผู้อื่นหรือไม่ถ้าการกระทําที่เป็นประโยชน์เป็นสุขกับตัวเราและกับผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นกิเลสในขณะเดียวก็ต้องดูที่ใจด้วยว่าแล้วใจเราสุขหรือทุกข์จากการกระทานั้นถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังถือว่าเป็นกิเลสอย่้นต้องดูหลายอย่างด้วยกันดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างใน นี้มันจะไม่ไม่ครบไม่ครบบริบูรณ์บางทีเราดูว่าเออเราทําประโยชน์ให้กับคนอื่นให้คนอื่นก็มีความสุขแต่เราทุกเราวุ่นวายใจอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วแสดงว่าเราอาจจะยังเห็นแก่ตัวยังเสียดายเวลาของเราอยู่ที่เราสละเวลาไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ในใจเราเรากลับไม่มีความสุขใจเราทุกเพราะเราไม่อยากทําทําด้วยความ จำใจอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ความก็ยังไม่ถูกก็ต้องทำแบบยินดีจะทำะยินดีทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเช่นคิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเขามีพ่อคุณกับเราถึงแม้เราจะต้องไม่ได้ไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำเช่นไปเที่ยวปีใหม่นี้แานที่จะไปเที่ยวจะต้องไปพาพ่อพาแม่ไปหาหมอหรือไปทาอะไรทาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับพ่อกับแม่ แต่เรากลับไม่ได้ไปเที่ยวเราอาจจะมีความไม่สบายใจเพื่อนๆไปเที่ยวกันส่งข้อความมาบอกโห้ยสนุกอย่างนั้นสนุกอย่างนี้ไอเรานี่ต้องมาคอยดูแลพ่อดูแลแม่เราก็ต้องเปลี่ยนใจเราคิดว่าเรากำลังทําบุญทําประโยชน์เสียสละทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ที่มีบุญคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าเรา น, านานานจะได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่สักทีก็ควรจะยินดีทำ ถ้าคิดว่าเป็นการทำบุญเป็นการเป็นความกระตันอยู่เป็นการสร้างความเจริญให้แก่จิตใจของเราความทุกข์นั้นก็หายไปได้ความสุขก็เกิดขึ้นมาได้เนี่มันต้องดูทั้งสองส่วนดูทั้งภายนอกและดูทั้งภายในภายนอกต้องไม่เดือดร้อนไม่ต้องการกระทาของเราต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเลิกกับตัวเราแล้วภายในใจเราต้องมีความสุขถึงจะเป็นธรรม คำถามข้อต่อไปจากทางเฟซบุ๊กนะครับจากคุณศรีนนาธนะครับโยมผู้มาใหม่ขอความเมตตาวิธีการนั่งสมาธิเจ้าค่ะก็เนี่ยฟังเทศฟัาธรรมทุกวันก็สอนอยู่ตลอดเวลาการจะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนสติคือสิ่งที่จะมาหยุดความคิดของเราความคิดของเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์มันวิ่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้มันยังไม่หยุดคิดเลย จิตของเราจึงไม่มีสมาธิกันไม่มีความสงบ ก, กันถ้าเราอยากจะให้จิตเราสงบมีสมาธิเราต้องหยุดมันถ้าเป็นรถเราก็เต้นหยุดเหยียบเบรกถ้าเหยียบเบรกเดี๋ยวรถมันก็จอความคิดของเราถ้าต้องการให้มันหยุดก็ต้องใช้สติสติก็มีหลายวิธีเช่นการท่องนึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็จะหยุดความคิดต่างๆได้ให้เรามาหัดพุทโธพุทโธกันพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราเตรียมตัวจะไปทํางานทําอะไรตอนนั้นเราไม่ต้องคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อถ้าจะคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุดโทโธได้คิดในเรื่องที่จําเป็นได้แต่เรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่าคิด แล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้เวลานั่งก็ท่องพุทโธไปก็ได้หรือจะเปลี่ยนมันดูลมหายใจเข้าออกก็ได mm ้ hmm. เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างแต่บางคนก็ชอบเอาสองอย่างมาปนกันก็ได้เหมือนกันเช่น <c oughs> นั่งดูลมแล้วก็ท่องพุทโธไปด้วยเช่น <c oughs> พุดเข้าโทออก mm hmm. ก็ได้หรือพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธก็ได้ วิธีใดก็ได้ที่ทำให้ใจเราไม่คิดก็แล้วกันพอใจเราไม่คิดนานๆนนเข้ามันก็สงบ้าไปเองแล้วก็จะมีความสุขพอจิตสงบมันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อวุบลงไปแล้วก็สบายเบาอกเบาใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วก็รู้สึกได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นความสุขมหัศจรรย์ใจก็จะเกิดขึ้นมาอันนั้นก็คือสมาธิ เวลาจะนั่งสมาธิก็นั่งล่างหลับตานั่งขัดสมาตั้งตัวให้ตรงอย่าอย่าไปนั่งพิงอะไรถ้าไม่มีเบาะยิ่งดีอย่าไปนั่งที่มันสบายนั่งตามธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรอย่งเงี้ยเดี๋ยวเวลาไปนั่งสมาธิต้องคอยมีเบาะขนเบาไปด้วยถ้าเรานั่งแบบไม่ต้องมีอะไรได้สบายต่อไปเราอยู่ที่ไหนแล้วก็นั่งสมาธิได้บนรถเมลเราก็นั่งได้บนรถไฟก็นั่งได้บนเครื่องบินก็นั่งได้ แต่ถ้าต้องมีบเบาะนี้ถ้าไม่มีเบาะเดยวนั่งไม่ได้แล้วถ้านั่งคัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งท่าอื่นก็ได้นั่งห้อยเท้าก็ได้เวลายืนบนรถเมย์ก็ยืนสมาธิก็ได้ยืนไปก็พุโทโธพุโทโธไปหลับตาไปแล้วจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเดียวก็ถึงที่หมายนะแล้วการนั่งนับตาพุทโธเนี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่กี่ไม่ไม่กี่นาทีรู้สึกว่ามันมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเรายืนดูโอ้เมือ่อไหร่จะถึงสัทีเมื่อยยืนก็เมื่อยอยากจะให้มันถึ ง, งเราสามารถปฏิบัติสมาธิหรสติได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักพุโทโธกันคําถามข้อต่อไปจากคุณไม่เคยทิ้งทำนะครับคารวาสผู้หวังมรรคผลนิพพานควรปฏิบัติอย่างไรครับก็เหมือนผู้ที่หวังว่าผลนิพพานไม่ว่าเป็นคารวาสหรือเป็นพระมันต้องทําเหมือนกันครับ ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ผู้ที่ไปบวชนี่เขามีโอกาสที่จะถึงนิพพานได้เร็วกว่าเพราะเขาเป็นเหมือนคนที่ขับรถบนทางด่วนเป็นนักบวชนี่ไม่มีภารกิจการงานต่างอื่นๆมาคอยขัดจังหวะเวลาแต่ผู้ที่เป็นคาราวานี่เหมือนขับรถอยู่ใต้ทางด่วนยังติดไฟแดงยังติดสีแยกยังติ ด, ดรถเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขับรถอยู่ รถเสียอะไรกลางถนนมันก็เลยทำให้ล่าช้ากว่ามันต่างกันแค่ตรงนั้นเองแต่ก็การปฏิบัติเหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาต้องมีเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นพระเป็นกาลาวาัฒเป็นอะไรก็ตามเป็นชาวต่างประเทศชาวไทยหรือเป็นอะไรต้องมีศีลสมาธิปัญญาด้วยกันทุกคนถึงจะไปพระนิพพานได้ คำถามจากคุณสมาธินะครับเพิ่งเรียนรู้ธรรมยุทธ์คือพระที่พวกพวกมหานิกายฉันวลมือ้อแล้วมีนิกายอื่นต่างจากนี้ไหมคะเพ อ, อ๋อนิกายในพุทธศาสนานี่มีเยอะแยะไปหมดหลังจากที่พระเจ้าเสด็จนิพานพานแล้วนี้พระต่างๆก็มีความคิดเห็นทางพระวินัยต่างกันไปก็แบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆ ที่กายใหญ่ๆคือมหายานกับเถเระว่ามหายานก็พวกที่เข้าไปเผยแผ่ธรรมะทีทะ่ทางเหนือของประเทศอินเดียขึ้นไปไปที่เบกไปในปานไปประเทศจีนไปไปญี่ปุ่นไปเกาหลีนี่พวกเรียกพวกสายเหนือพวกนี้ก็เป็นมหายานพวกนี้เขาจะไม่บินทบาดกันเพราะว่าเขาไปอยู่ในประเทศที่มันบินถบาดไม่มีการบินทบาดอากาศหนาวออกไปบินถบาดกันไม่ได้ เขาก็เลยกินเจกันทํากับค้งกับข้าวกินกันในวัดพวกมหายานก็แต่เขาก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ว่าศีลอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ครบเหมือนกันเขาก็เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่เขาสถานที่ที่เขาไปเผยแพร่ไปอยู่ด้วยส่วนพวกที่ลงมาทางใต้นี่ยังสามารถรักษาทำขธรรมเนียมแบบที่พระเจ้าทรงดําเนินได้คือเถระว่า ตรงนี้ก็จะมาสีลังกามาพมา่ามาประเทศไทยมาเขาเมรมาลาวนี่สายนี้ก็เรียกว่าสายเถรวาสเราก็ยังรักษาทวินัย227ข้อที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้รักษาธรรมเนียมการบินทบทัทชูดงคาวัตอะไรต่างๆไว้เหมือนกับสมัยที่อยู่ในประเทศอินเดียทุกอย่างเพราะผู้ที่มาเผยแผ่ก็เป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นที่นา นําศาสนามาเผยแผ่ทางทางประเทศไทยนี้ก็เป็นพ ร, ระอรหันต์มาเผยแผ่ท่านก็เอาขนบรรมรำเนียมประเพณีของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่กันแล้วพอมาอยู่ในเมืองไทยนี้ก็เกิดมีการเพิ่มขึ้นเป็นสองนิกายเพราะนิกายที่มาอยู่ั้งแรกนี้ก็ตอนต้นก็ปฏิบัติ ด, ดีเข่งคัดดีแล้วพอนานไปนานไปก็ก็เสื่อมลงไม่เข่งคัดกับพระวินยัย สิ่งบางข้อก็ไม่ไม่รักษาอ้างว่าจําเป็นเช่นข้อที่ไม่ให้จับต้องเงินทองไม่ให้ครอบครองเงินทองเป็นของตนเขาก็อ้างว่าเป็นสมัยใหม่ต้องใช้เงินใช้ทองพระเนนต้องขึ้นรถในลรถไฟไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายตั๋วจ่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าขอยกเว้นข้อไม่จับต้องเงินทองอแล้วก็มีข้อ เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของกินของที่เป็นอาหารแต่แต่ดื่มได้ก็เก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเป็นของดื่มเครื่องดื่มไม่แยกเป็นอาหารเช่นนมอะไรต่างๆอันนี้นี่พอรัชกาลที่สี่ท่านมาบวชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระเจ้าอยู่หัท่านเป็นอ่าเป็นราชโอรสเนี่ยมาบวชแล้วท่านมาศึกษาพระวินัยของ ของสงอย่างแท้จริงก็เห็นว่าพระที่ท่านบวช ด, ด้วยนี่มันไม่ปฏิบัติไม่ครบบริบูรณ์ในเรื่องของข้ขอรักษาศีลต่างๆท่านก็เลยมาสร้างนิกายใหม่ขึ้นมาไปบวชใหม่ถ้าไม่บวชกับพวกพระมอนพระมอนนี้ก็ยังรักษาวินัยอยู่แล้วก็ตอนต้อง เ, เรี่ยวเป็นกลุ่มธรรมยุทธ์ขึ้นมามีพระไม่กี่รูปต่อมาก็เห็นว่า กลุ่มนี้ประพฤติปฏิบัติเค้่งคัดในพระวินัยไม่จับต้องเงินทองไม่ทำกิจที่ไม่ใช่เป็นของสองฆ์เช่นเป็นหมอดูเล่นหมากรุ ก, ลกปลูกกล้วยไม้ปลูกต้นไม้หรือทำอะไรต่างๆมุ่งแต่การปฏิบัติศีลสมาธปิปัญญาก็ทำให้เกิดคนมีศรัทธาคนที่อยากจะบวชเค้่งคัดก็เลยมาบวชกับคณะธรรมยุทธ์นี่ นะธรรมยุทธก็เลยเจริญเติบโ ต, ต, ต, ตขึ้นมากลายเป็นนิกายขึ้นมานิกายธรรมยุทธ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับนิกายเก่าที่เราเรียกว่ามหานิกายนี้ก็ยังยังเล็กมากธรรมยุทธนี้ประมาณหนึ่งในสิบของมหานิกายวัดในประเทศไทยนี้มีประมาณหนึ่งในสิบพระในประเทศไทยมีประมาณหนึ่งในสิบที่เป็นธรรมยุทธ์นี่พร ะ, พระธรรมยุทธ์ท่านแข่งขันเนี่ยอย่าง พอมาถึงยุคหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็ออกทุดงกันปฏิบัติกรรมฐ า, านกันอย่างเข่งคัดก็เลยเกิดเป็นมีพระทุดงสายหลวงปู่มั่นขึ้นมาอีกแต่ก็ยังอยู่ในสายของธรรมยุทธ์เยอะแล้วมีพระอาจารย์ชาท่านบวชในสายมหานิกายแต่ท่านก็เข่งคัดท่านก็ถือตามธรรมยุทธ์ก็คือท่านก็ไม่จับต้องเงินทองรักษาศีลทุกอย่างให้ครบบริบูรณ แล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิทูดองควาส ต, ต่างๆแต่ท่านอยากจะอยู่นิกายเดียวกับหลวงปู่มั่นท่านาก็ขออนุญาตหลวงปู่มั่นว่าจะขอลาออกจากมหานิกายแล้วมาอยู่กับธรรมยุทธ์หลวงปู่ท่านก็เบรกไว้ว่าถ้าทุกคนมาทางนี้แล้วใครจะอยู่ทางนั้นหลวงปู่ชาท่านก็เลยไม่ได้ยัติไม่ได้เปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์สายของหลวงปู่ชาก็ยังเป็นมหานิกายอยู่ แต่เป็นนิกายที่เข็งคลัตที่ปฏิบัติศีลทุกอย่างเหมือนกับของธรรมยุทธ์ไม่จับต้องเงินทองไม่ดื่มนมดื่มอะไรแล้วก็เข็งคลัตต่อการปฏิบัติทุนลงขวัดฉันมือเดียวฉันไในบาทต่างๆเหล่ า, านี้อันนี้ก็เป็นที่เป็นที่ที่เป็นที่มาของอนิกายที่มีอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในโลกนี้ ทางเหนือเข้าไปเาเปลี่ยนเป็นเป็นเซนเป็นชาญเป็นอะไรไปเมื่อไรเขาก็แยกกันไปของเขาอีกทางใสที่ศีรกาเขาก็มีหลายนิกายเหมือนกันแล้วมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้มีมีที่เขามีพระในศีรษามีอยู่นิกายหนึ่งเขานมไปเรื่อล่มหายไปก็ไม่รู้ไม่มีใครมาบวชใหม่ เขาก็เลยเป็นนิมนต์พระจากเมืองไทยมาบวชให้แล้วก็เลยเกิดสยามนิกายขึ้นมาในประเทศศรีลังกาก็าไปนิมนต์พระจากประเทศไทยมามาพระมาบวชให้เขานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนิกายต่างๆส่วนภิกษุณีนี่ตอนนี้มันทางของเทรวาณนี่เราถือว่ามันหมดไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาบวชต่อไม่อยู่ อยู่ได้ประมาณทันกว่าปีพอหลังจากนั้นผู้หญิงไม่มีใครสนใจจะมาหอบวชกันก็เลยจบพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีการบวชกันต่อก็ก็ถือว่าหมดอายุก็เลยไม่มีภิกษุณีในในสายของเทรวาดแต่ในสายของมหายานเขาว่าเขายังมีกันอยู่ผู้หญิงที่เขาอยากจะเป็นภิกษณุณีเขาก็เลยไปบวชกับ สายมหายาณกันแล้วเขาก็มาอยู่กับเทรวาตอย่างมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาก็แปลงเป็นเทรวาตขึ้นมาเองแต่ทางสงเรารับไม่ได้เราไม่รับเพราะว่ามันมันขัดกับพระธรรมวินัยที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าอยู่ๆเราจะมาบวชกันขึ้นมาเองไม่ได้ต้องมีสงอยู่แล้วก็เลยยังไม่มีการบวชภิกษุณีในประเทศไทย แต่ผู้ที่อยากจะเป็นภิกษุณียังเป็นได้เป็นโดยที่เราไปศึกษาดูศีลของภิกษุณีดูเสียงว่ามีกี่ข้อสามร้อยกอข้ออยากเป็นภิกษุณีก็รักษาเอาซิก็เป็นได้เพียงแต่ว่าเป็นของเราเองเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาเขาอาจจะไม่ไม่รู้หรือว่าเขาไม่รับรองเท่านั้นเองแต่การกเป็นภิกษุณีหรือเป็นพระที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การรับรองของผู้อื่นหรอ มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองถึงแม้ผู้่นก็จะรับรองว่าเราเป็นภาะภิกษุแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ครบศีลเราก็ไม่ได้เป็นตามที่เขารับรองอยู่ดีเหงั้นถ้าเรายังอยากจะเป็นภิกษุณีอยู่ก็เป็นได้เป็นด้วยการปฏิบัติของเราเองเราก็ไปอ่านดูในพระไตรปิฎกเนี่ยในวินยัยปิฎกนี้ก็จะมีศีลสมยกว่าข้อของภิกษุณีเราลองเอาไปศึกษาดูแล้วลองรักษาดูเล ถ้าเรารักษาได้เราก็เรียกตัวเราเองว่าเป็นภิกษุณีได้ไม่ต้องให้คนอื่นเรียกเราก็ได้ไม่ต้องให้คนอื่นมารับรองก็ได้เรารับรองตัวเราเองก็ได้เพราะการเป็นเป็นพระหรือเป็นภิกษุณีนี้อยู่ที่การรักษาศีลสองยี่บเจ็ดข้อนี้ต่างไม่ใช่อยู่ที่การไปบวชอย่างเดียวบวชแล้วก็ต้องรักษาถ้ารักษาไม่ได้เขาก็จับศึกไปใช่ไหม นี่เรื่องของนักบวชเรื่องของนิกายต่างๆมีอะไรไหมมีครับเอ๊ะดังนั้นเราควรจะสนับสนุนพิสุณีไหมครับอาจารย์เพราะบางครั้งก็เห็นพิกษุณีเป็นหมอดูด้วยนั่นนีมันถึงมันลําบากตรงที่ว่าเราไม่รู้ก็เป็นพิกษุณีจริงไม่จริงไงงั้นเราก็ให้เขาเป็นพิกสุณีของเขาเองแล้วเขาเพราะผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลอย่างเงข่งค้านนี้เขาได้รับผลของเขาอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมาอาศัยการสนับสนุนของคนอื่นก็ได้ ก็ตอนนี้พูดเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านี้ท่านมีใครมารับรองท่านหรือเปล่าก็ไม่มีแต่ความประพฤติอันสวยงามของท่านเนี่ยมันเป็นการรับรองตัวท่านไปในตัวเองเห็น้าถ้าผู้หญิงคนใดสามารถรักษาศีลของภิกษุณีได้บริสุทธิ์เดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเข้าเขาก็ศรัทธาเคารบกันขึ้นมาเองคาถามข้อต่อไปจากคุณกิกสังนะครับกิกจังนะครับ การที่เราได้ยินเสียงพระสวดมนต์ในทีวีแล้วเราสวดตามโดยเป็นเสียงออกมามีคนพูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะพระต้องสวดเท่านั้นไม่ใช่พระสวดไม่ได้อย่างนี้เราผิดหรือบาปไหมคะสวดมนต์ทามาสวดมนต์ทำสมาธิไม่ได้เลยคะ่ะจิตมันคิดอยู่อย่างนั้นว่าเราผิดไหมจะเป็นบาปไหมไม่ได้เป็นพระสวดให้ท่านไม่ได้หรือหรือ แล้วสวดตามพระท่านได้ไหมคะคือมันอยู่ที่กาลเทศะเวลาไปงานที่มีพระสวดเรามีหน้าที่ฟังเราก็ต้องฟังไม่ใช่ไปสวดแข่งกับพระแต่ถ้าเราไปอยู่วัดไปไหว้พระสวดมนต์พร้อมๆกับพระทำวัดเย็นวัดเช้าพร้อมกับพระก็สวดได้มันอยู่ที่กาลเทศะเท่านั้นเองเช่นเราไปงานศพกาสวดกุศลธรรมะเราก็ไปสวดแข่งกับพระางเนี้ยมันก็ยังไงอยู่นี่เรามีหน้าที่ไปฟัง ก็ต้องทำให้มันถูกหน้าที่ของเราแต่เวลาไปอยู่วัดแล้วลงบทเช้าเย็นก็มีการไหว้พระสวดมนต์พร้อมๆกันทั้งพระทั้งค่าวะว่าพระสวดเราก็สวดตามกันอย่างนี้ก็ทำได้มันอยู่ที่การลาเทสะท่านเองแต่ในกรณีนี้เขาสวดตามในทีวีครับพระอาจารย์ก็เขาอยู่บ้านคนเดียวก็สวดไปเลยไม่ผิดนะครับไม่ผิดที่คนที่เขาไม่รู้เขาก็อาจจะคิดว่าไม่ถูกเขาก็เลยบอก คำถามข้อต่อไปจากคุณพ่อพิพัฒนะครับอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายถึงการก้าวเข้าสู่อริยะบุคคลขั้นแรกแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานั้นเข้าสู่อริยะบุคคลขั้นแรกแล้วก็เนี่ยก็เรืงละส ก, กายาทิฏฐิการละความคิดเห็นที่ว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเราละได้เราก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเรายังกลัวความแก่ความเจ็บความตายอยู่ก็แสดงว่าเรายัางละไม่ได้คำถามข้อต่อไปคุณพาลิศพาพรนะครับเมื่อนั่งภาวนาไปสักพักรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มที่คอด้านข้างหายใจไม่ออกจกทาอย่างไรเจ้าคะอ๋อไม่ต้องสนใจเวลาเราภาวนาให้อยู่กับการภาวนาถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆอะไรจะมาปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจ อย่าไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองคำถามจะคุณ M O U นะครับการพยายามใช้ความคิดว่าทุกเพราะความอยากด้วยอารมณ์ปกติที่ไม่ได้เจริญสติเข้าสมาธิมาก่อนหน้าเป็นการคิดหลอกตอนเองหรือปัญญาครับก็ต้องดูตอนที่อยากจริงๆว่าหยุดดื่มได้ปะอยากจะดื่มกาแฟแล้วว่าไม่ดื่มก็ได้วะ ลองเลิกมันได้หรือเปล่าอยากไปเที่ยวอย่างเช่นปีใหม่นี้หยุด4วันอยากไปเที่ยวไม่ไปก็ได้ว่าอยู่ว่านสักสี่วันดูนะีได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่าหยุดความอยากได้เฉพาะในเรื่องนั้นเรื่องมันมีหลายเรื่องที่เราอยากด้วยกันบางคนก็อยากจะซื้อกระเป๋าเนี่ยพอนึกถึงกระเป๋าไว้นั่นที่ไหนก็อยากจะซื้ออยู่นั่นนะถ้าไม่เปลี่ยนใจมันก็ยังอยากจะซื้ออยู่ถ้าเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้วะไม่ซื้อก็ได้ ต่อไปมันก็ไม่นึกถึงกระเป๋าไว้นั้นะฉะนั้นมันต้องพิสูจน์เวลาตอนนี้ตอนที่ไม่มีความอยากมันก็คิดได้นะมันมันก็คิดว่าเลิกได้แต่มันจะเลิกได้จริงหรือเปล่าก็ต้องรอตอนที่มันเกิดความอยากขึ้นมาเวลามันเกิดความอยากแล้วไม่ไปทำตามความอยากได้นะั่นแหละก็จะรู้เองว่าเลิกได้หรือเลิกไม่ได้คำถามจากคุณสุภาพนะครับ ช่วงนี้ลูกดวงตกมากลูกจะทำอย่างไรดีคะก็ทำให้มันขึ้นด้วยมันตกได้ก็ขึ้นได้หรือใช้ธรรมะก็บอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีขึ้นก็มีลงเป็นธรรมดามีลงก็มีขึ้นเป็นธรรมดาเน้นเราก็ใจเย็นๆเดี๋ยวถึงเวลามันก็ขึ้นเองคำถามจากคุณเพนจันนะครับ เมื่อออกจากสมาธิจะสามารถแผ่เมตตาให้กับผู้ใดได้บ้างคะให้ตัวเองหรือผู้เสียชีวิตได้ไหมคะไม่ได้เลยเรื่องแผ่เมตตาการนั่งสมาธิมันคนละเรื่องกันเข้าใจไหมการนั่งสมาธิกระทาให้ใจเราสงบการแผ่เมตตานี้จะนั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิก็แผ่ได้เองแต่ว่าต้องมีคนรับการแผ่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะไปแผ่ให้ใครต้องเจอกันเจอนหน้ากันแล้วค่อยแผ่ เวลาเจอหน้าใครก็ใหญ่แยกเคี้ยวใส่กันให้ยิ้มใส่กันถ้ายิ้มใส่กันก็เรียวกว่าแผ่เมตตาแล้วหรือปีใหม่นี้เราส่งการ์ดไปสอคซไปนี่ก็แผ่เมตต า, แ ล, าแล้วส่งความสุขสอคซก็ส่งความสุขซื้อของขวัญมาให้กันนี่ก็แผ่เมตตาแล้วไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยนึกเฉยๆแล้วก็ไม่มีใครก็อยู่มารับรู้กับความนึกของเราไม่ได้ไมัมันต้องมีบุคคลที่จะมารับความเมตตาของเราเช่นเรามาเจอกันตอนเนี้ เจอแล้วก็ทักทายกันยิ้มย้มให้กับกันหรือมีของอะไรฝากก็มาแบ่งกันอะไรเรียกว่าแผ่เมตตาหรือใครทำอะไรพลาดทําให้เกิดความเสียหาย ก, ออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไ ร, หรให้อภัยกันเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่อยู่นั่งสมาธิอยู่ดีๆออกจากสมาธิมาก็แผ่เมตตาไม่รู้จะแผ่ให้ใครแล้วการนั่งสมาธิมันก็ไม่มีมันไม่ได้ความเมตตาเลยมันก็ได้ความสงบ ความเมตตามันเกิดจากการที่เราแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นหมดแล้วครับพะอาจารย์หมดแล้วเลย ม, มีใครยังอยากจะถามอีกไหมดเดี๋ยวนั่งเฉยๆก่อนก็ได้ เ, เดี๋ยวเผื่อยังมีใครกำลังไม่มีถาเลยไปนั่งสบายๆกันมา เราพวกเราถูกสอนมาผิดว่าเวลานั่งสมาธิวายพระสดวดมนต์แล้วต้องแผ่เมตตากันความจริงการแผ่เมตตาตอนนั้นเป็นการหัดเป็นการสอนเป็นการเตือนใจว่าเราต้องรู้จักการแผ่เมตตาในเวลาเราสวดสเปสัตตาเวลาหนุนตุเราเข้าใจความหมายหรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรยังไม่เป็นผู้มีเวีนกันเถิดคือเราอย่าไปมีเวณมีกรรมกับใครใครก็ทําร้ายเราเราต้องให้อภัยเขา อย่าไปเอาฟันต่อฟันตาต่อตาเพราะการจองเวรมันจะไม่ทำให้เวรหมดการไม่จองเวรกันนี้เท่านั้นถึงจะทำให้เวรมันหมดได้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวลาจองเวรจองกรรมแล้วใจเราร้อนขึ้นมาเป็นดารกขึ้นมาเป็นไฟขึ้นมาเวลาเราไม่จองเวรเราให้อภัยนใจเราจะเย็นจะความร้อนความโกรธจะดับไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการแผ่เมตตาเราเป็นคนได้รับประโยชน์นะเวลาเราแผ่เมตตาจากร้อนก็กลายเป็นเย็นไปใครเขาทําอะไรให้เราเสียหายหรือเสียใจแล้วเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊บนี้แทนที่จะโกรธที่จะแค้นมันหายไปหมดเลยใจก็เย็นใจสบายขึ้นมาทันทีแต่ถ้าโกรธแค้นอยากจะให้เขาใช้ของที่เขาทําให้เราเสียหายเราก็ยิ่งร้อนใหญ่ แล้วยิ่งท้ศเขาไม่ยอมใช้เขาเถียงยิงย่งโกรธเขาใหญ่เลยอย่างเช่นเวลารถไปชนกันนี่มาเถียงกันผมไม่ผิดคุณผิดนี่นะยมันยิ่งทําให้เรร้อนแครนกันไปใหญ่แต่แเราบอกอไม่เป็นไรผมผิดก็ผิดมันก็พังแล้วมันนั่งเถียงกันทําไมนะคุณก็ไปของคุณผมก็ไปของผมก็แล้วกันอันะนี้มันก็จบนะมันก็เย็นสบายขึ้นนั่นก็เรียกแผ่เมตตาเหมือนกัน เวลาคขับรถเขาปาดหน้าเราก็ยกมือไหว้ก็สาธุอย่างนี้ก็แผ่เมตตาไม่ใช่ด่าก็ไล่ม่เปนไรไอหาญุ่นนั่นไม่แผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตามีเวลาแผ่ไม่แผ่จะไปแผ่เวลาไม่เมืเวลานั่งคนเดียวจะไปแผ่เมตตาเห็นไมว่ามาเขาเขมาอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งชีวิตอื่นที่เรามองไม่เห็นเออไม่มีหรอก มีก็เขาก็รับไม่ได้อยู่ดีเขาไม่มีอะไรกับเราเราไม่ต้องไปแผลอะไรให้เขาอย่างทําวัดเช้าวัดเย็นมีการนั่นค่ะบทท้ายที่อุทิศบุญกุศลนะคะอ๋ออุทิศบุญนั้นเขาก็สอนให้เราแบกบุญที่เรามีอยู่ไปให้เพรนั้นได้ผลใช่ไหมครก็ไม่รู้ว่าเราเราเรามีบุญอุทิศหรือเปล่าตอนนั้นนั่นนะสวนะส่วนมนตแล้วจิตสงบหรือเปล่ามันต้องมีผลเลยส่วนมนต์นี่อาจจะเป็นเหมือนกําลังปลูกต้นไม้อยู่ ต้นไม้ปลูกปั๊บมันยังไม่ออกดอกออกผลทันทีถ้าส่วนแล้วจิตสงบดวมีความสุขมากๆก็แบ่งไปได้อุทิศบุญนั้นไปได้ถ้าส่วนแล้วยังจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เข า, า จ, จิตสงบหรือจิตมีความสุขเมือนกับเราทําบุญปั้มนี่มันมีความสุขขึ้นมาทันทีเนี่ยถึงนิยมอุทิดบุญด้วยการทําทานมันมันเห็นชัดกว่าพอเราทําบุญแล้วจิตเราก็มีความสุขขึ้นมา แล้วก็ทิศความสุขนั้นให้กับผู้ร่วมรับไปได้แล้วเวลานั่งสมาธิแล้ ว, ลวเอกาจากสมาธิเมื่อได้พูดคําว่าเอาเอ๋ย่มีเวรต่อการแลกกันด้วยบุญส่วนที่เราทํามานี่ขอให้รับส่วนบุญนี้ไปอันนี้ได้ผลไหมคะก็ไม่รู้แหละให้ใครไปแหละให้ทั่วไปนั่นอาจะให้ทั่วไปนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนั่นก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้กไ็ไม่ต้องแผ่ค่ะไม่ต้องคือให้แผ่ตอนเวลาเจอกันดีกว่า เวลาเจอกันเวลาจะทะเลาะกันก็เออหยุดทะเลาะกันเมตตาต่อดกันให้อภัยกันไปแผลตอนนั้นจะได้ประโยชน์กว่าแล้วว่าถ้าเดินจงกรมน่งสมาธิออกจากเดินจงกรมนั่สมาธิก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรเดินเพื่อให้จิตสงบให้มีความสุขสมาธิก็เหมือนกันเวลาไป เ, เจอคนก็ค่อยแผลให้เข า, เอาตอนยังไม่เจอใครก็ยังไม่ต้องไปแผลก็ อ, อย่างเจ้าคํารมเลยนะคะ ก็นั่นแหละเวลามาจองเวรจองกรรมเราก็ให้อภัยเขาอย่าไปจองอย่าไปตอโต้กันแล้วอดีตแลชาติเคะก็นั่นแหละก็รอให้เข้ามาก่อนสิถ้าก็ยังไม่มาว่าแตก็ไม่รู้กฎการเอาไว้ก่อนอ๋อการไม่ได้หรอกเวรกรรมนี่ลราห้ามไม่ได้แต่เราจะทําไม่ทําให้มันขยายตัวได้ทําให้มันให้มันหมดไปได้แต่มันต้องเกิดเช่นเขาจะมาฆ่าเราก็ยอมให้เขาฆ่าไปพอเขาฆ่าเราได้แล้วมันก็หมดกัน มีบางครั้งที่ได้ฟังมาบอกว่าถ้าเร า, เาแผ่ไปเรื่อยๆนะคะเจ<อ>้ากรรมในวันที่ผูกพยาบาลเราเนี่ยมันจะถอดถอนให้เขาค่อยๆได้แต่ต้องเจอเขาก่อนสิถ้าไม่เจอก็จะไปแผ่ให้เขาได้ไงเช่นเจอเจ้าหนี้ก็เอาเงินคืนเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอหมดหนี้เขาก็เขาก็ไม่มาต่อยายกับเราที่ก็มาตามต่อยายเขาเราเพราะเามาทวงหนี้เราเนีว่าเจ้าหนี้มาหาเราถ้าเรามีเงินให้เขาหมดเขาก็ไม่มาหาเราแล้ว แล้วอย่างกรณีเรารู้ว่าคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เราไม่คุยกับเขาอะก็ไปคุยกับเขาสิเราไปทําในทีว่าเราไม่ต้องคุยแต่แล้วเอาของไปให้เขาสิซื้อของไปให้เขาไปวางไว้ที่โต๊ะเขาก็ได้ไปวางที่บ้านเขาก็ได้ปีใหม่นี้ก็ซื้อกะเช้าไปวางไว้ให้เขาบ่อยๆเยอะๆเดี๋ยวเขาก็หายโกรธยังไงใช่ไหมเขาหนึ่งก็มาทํากับเราเราจะโกรธเ้าลงหรือเปล่าใช่ไหม คิดถึงโหหั ว, หว อ, อกเขาโห อ, อกเรามันก็เหมือนกันถ้าเขามาทําความดีมาแก้ความผิดที่เขาทํำนี่เขาทำดีบ่อยๆเขาเดี๋ยวแล้วก็เห็นใจเขาเองแต่แความจริงส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะความเป็นจริงส่วนใหญ่ก็ <c oughs> คือว่าไม่อยากจะคุยแต่ว่าขอทําบุญกุศลเนี่ยอุดทิ้งแผ่ให้เขาครมันไม่ได้แผ่ใชมันต้องแผ่ต้องให้เขาต้องรับได้สิเราทําบุญกุศลเขาไม่รู้ว่าเราทําบุญทําให้ใครบอกมาทําบุญให้ให้กับเราแต่เขาไม่ได้อะไรเลย แต่อยากจะให้เขาต้องให้ของที่เขาจับต้องได้สิก็ต้องรับรู้ยังโกรธกันใครโกรธกับใครก็ไปซื้อของขวัญไปให้เขาเรื่อยๆสิวันเกิดก็ให้เขาปีใหม่ก็ให้เขาเออมีอะไรก็ไปฝากเขาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็าหายโกยรธเองอ่ะพ <c oughs> อแล้วนะพ <c oughs> อแล้วนะ <c oughs>